บทที่สามสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณอาวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารและสังขารก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณกรรมดีวหรือกรรมชั่วในพบก่อนเป็นปัจจัยให้เกิดกระแส จ, จิตในพบใหม่โดยเริ่มต้นจากปฏิสนธิวิญญาณ กรรมชั่วอาจชักนำให้ไปเกิดในอบายภูมิสี่คือนรกเปรตอสุรกายและสัตดิรฉานหลังจากนั้นจะเกิดมีกระแสของวิญญาณเรียกว่าพาวังคจิตซึ่งดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยอาจขั้นด้วยวิถีจิตซึ่งรับอารมณ์จากทวารทั้งหกในขณะเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรส กระทบสัมผัสและคิดนึกกล่าวอีกในหนึ่งว่าพระวังคจิตเป็นอย่างเดียวกับจิตใต้สำนึกที่เกิดในขณะที่เรานอนหลับและจิตดวงสุดท้ายก่อนจะเสียชีวิตที่เรียกว่าจุติจิตดังนั้นปฏิสนธิจิตพระวังคจิตและจุติจิตจึงเป็นจิตที่ เป็นผลวิบากของกรรมในภพก่อนอกุศลละจิตวิบากจิตห้าดวงที่รับรู้อารมณ์ที่ไม่ดีทางทวารห้าคือทางตาทางหูเป็นต้นเรียกว่าจักขุวิญญาณคือจิตที่เห็นรูปทางตาโสตวิญญาณคือจิตที่ได้ยินเสียงทางหูคานวิญญาณคือจิตที่ได้กลิ่นทางจมูก ชิวหาวิญญาณคือจิตที่ลิ้มรสทางลิ้นและกายวิญญาณคือจิตที่กระทบสัมผัสทางกายจิตเหล่านี้เป็นผลของอกุศลกรรมเช่นเดียวกับจิตที่รับอารมณ์ปรากฏทางทวารห้าสัมปติชนะและจิตที่ทําหน้าที่พิจารณาอารมณ์สันเตระณะสรุปได้ว่าจิต เป็นวิบากของอากุศลกรรมอปุญญาพิสังขารมีเจดชนิดส่วนจิตที่มีมูลเหตุมาจากอเนชาพิสังขาร น, นั้นเป็นวิบากของอรูปาวจรกุศลกรรมสอย่างที่ทําให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณในอรูปภูมิสี่แล้วมีผวังขจิตเกิดต่อมาในประวัติการ และมีจุติจิตเกิดในวาระสุดท้ายของชีวิตส่วนในปุญญาพิสังขารนั้นรูปราวจรกุศลกรรมห้าอย่างเป็นเหตุให้เกิดรูปราวจรวิปากจิตห้าดวงในรูปประพรมภูมิและมหากุศลจิตแปดดวงก็เป็นเหตุให้เกิดมหาวิปากกิตแปดดวงในกามาวจรภูมิ วิปากจิตเหล่านี้ทำหน้าที่ปฏิสนธิพวังและจุติในมนุษย์ภูมิและในเทวภูมิหกนอกจากนี้ยังทำหน้าที่ตทารมคือรับอารมณ์ต่อจากชวนาจิตหลังจากที่ชวนาจิตแล่นไปรับอารมณ์ครบเจ็ดขณะในขณะเห็นได้ยินเป็นต้น และอกุศลกรรมในกามาวจรภูมิก็ยังเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณนจิตหที่รับอารมณ์ที่ดีทางทวารทั้งหอุเบกขาสัมปติชนะจิตหน้าที่ที่รับอารมณ์และสันติรณะจิตทําหน้าที่พิจารณาอารมณ์ทั้งที่ประกอบด้วยอุเบกขาเวทนาและที่ประกอบด้วยโสมนัตเวทนา กล่าวโดยสรุปวิปากจิตมี32สองดวงคืออรูปราวจรวิปากจิตอรูปราวจรวิปากจิตสี 4. รูปราวจรวิปากจิตห้ากามาวจรอกุศลวิบากจิตเจ็ดกามาวจรกุศลวิบากจิตสิบกวิบากจิตทั้ง32สองดวงนี้เป็นผลของสังขารทั้งสิ้น สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณได้อย่างไรเรื่องที่สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณค่อนข้างที่จะเข้าใจยากแต่ก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากท่านอาจารย์แลดีสยาดอกราวย้าว่า ความไม่เข้าใจเรื่องนี้อาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงได้เราจึงจําเป็นจะต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องเสียก่อนว่าเมื่อจุติจิตพร้อมทั้งกระแสรูรปนามในภพก่อนได้ดับไปแล้วปฏิสนธิวิญญาณพร้อมทั้งรูปนามในภพใหม่จะเกิดขึ้นสืบต่อในทันที โดยที่เป็นผลของกรรมดีหรือกรรมชั่วในภพก่อนตราบที่กิเลสยังไม่ได้ถูกกำจัดให้สิ้นไปจากกระแสจิตหากปราศจากความเข้าใจในเรื่องนี้ก็จะก่อให้เกิดความเชื่อว่ามีอัตตาหรือวิญญาณที่ย้ายจากร่างหนึ่งไปสู่อีกร่างหนึ่งหรืออีกความเชื่อหนึ่งที่ว่าตายแล้วสูญสลายไปไม่มีการเกิดอี ตามที่นักวัตถุนิยมสมัยปัจจุบันเชื่อถือกันความเชื่อว่าตายแล้วขาดศูนย์นั้นเกิดจากความไม่รู้ในความสัมพันธ์ของเหตุและผลหลังจากสิ้นชีวิตต่างจากในขณะมีชีวิตซึ่งจะเห็นความสัมพันธ์ของอวิชชาสังขารอัยตนะผัสสะเวทนาและตัณหา ที่เป็นปัจจัยต่อเนื่องเกี่ยวพันกันเหมือนลูกโซ่ได้ชัดเจนกล่าวคือเมื่อบุคคลไม่รู้ความสัมพันธ์ของเหตุผลอันจัดเป็นอวิชชาจึงทำกรรมที่เป็นสังขารแล้วสมผลให้มีอายตนะเพื่อให้รับรู้อารมณ์ได้อีกทั้งการกระทบระหว่างอายตนะกับอารมณ์เช่นตากระทบกับรูปย่อมก่อให้เกิดผัสสะ แล้วเวทนาอันเป็นความรู้สึกที่ตอบสนองอารมณ์ในเชิงลบหรือบวกก็จะปรากฏขึ้นทันทีทั้งตัณหาที่ปรารถนาพอใจสิ่งที่รู้สึกอยู่ก็จะปรากฏขึ้นเช่นกันอย่างไรก็ตามการเกิดใหม่หลังจากการตายจัดเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเห็นได้ชัดเจนเหมือนในเวลาที่มีชีวิตอยู่ จึงทำให้เกิดความเชื่อว่าเมื่อตายแล้วก็ขาดศูนย์ไปผู้ที่ได้ศึกษามามากมักจะยอมรับคำสอนเรื่องสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณโดยอาศัยศรัทธาเป็นพื้นฐานเนื่องจากคำสอนนี้ไม่อาจพิสูจน์ให้เห็นประจักษ์ได้ด้วยการใช้หลักเหตุผลล้วนจึงถูกคัดค้านโดยนักวัตถุนิยมสมัยใหม่ในปัจจุบัน แต่ผู้ปฏิบัติธรรมที่ได้เจริญวิปัสสนามาพอสมควรแล้วจะสามารถรู้เห็นการเกิดใหม่ได้อย่างชัดเจนเมื่อเขาเห็นการเกิดขึ้นและดับไปต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วของรูปนามซึ่งเป็นการเห็นด้วยประสบการณ์ของตนเองไม่ใช่เป็นการเรียนรู้จากคำบอกของครูอาจารย์แม้ว่าในเบื้องต้น เขาจะยังไม่สามารถรู้เห็นอะไรมากนะักแต่เมื่อปฏิบัติไปจนบรรลุสัมมสนาญาณและอุทธาพยาญยาณก็จะเห็นแจ้งความจริงข้อนี้จริงอยู่เขาอาจจะมีความเข้าใจเรื่องจุติจิตและปฏิสนธิจิตอย่างกว้า ง, างเมื่อได้บรรลุถึงปัจจยะปริฆหญาณแต่ เมื่อบรรลุถึงสัมมาสนญาณและอุทพยัญาแล้วความสงสัยใดๆเกี่ยวกับการเกิดใหม่ก็จะอันตรธานไปเนื่องจากเขาได้เห็นโดยประจักษ์ด้วยวิปัสนาญาณว่าการตายหมายถึงการดับของจิตดวงสุดท้ายจุติจิตการเกิดใหม่หมายถึงการเกิดของจิตดวงแรกปฏิสนธิจิต ซึ่งไม่แตกต่างจากการเกิดขึ้นและดับไปของจิตที่เขาได้กำหนดรู้ในขณะเจริญวิปัสสนานั่นเองสำหรับผู้ที่ไม่เคยเจริญวิปัสสนาเขาจะไม่สามารถรู้เห็นความจริงข้อนี้แต่จะเชื่อว่าจิตคือวิญ ญ, ญาณหรืออัตตาที่เที่ยงแท้ถาวรความเชื่อนี้แม้จะถูกปฏิเสธโดยผู้ที่ได้ศึกษาพระอภิธรรมอย่างแตกฉาน แต่ก็ยังมีบุคคลบางคนที่ยังไม่ละทิ้งความเชื่อนี้เพราะได้เคยยึดมั่นมาอย่างนี้ในอดีตชาติและผู้ปฏิบัติธรรมบางคนที่ปัญญายังไม่แก่กล้ามากนักก็อาจจะรู้สึกเอ็งเอียงไปได้ในบางครั้ง สัสตตติทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิปุถุชนที่ยึดมั่นความเห็นผิดอาจเชื่อว่าความตายหมายถึงการดับสูญหรือมิฉะนั้นก็เชื่อว่าเป็นการย้ายของวิญญาณจากที่หนึ่งไปอยู่อีกที่หนึ่งความเห็นผิดอย่างแรกเรียกว่าอุเฉททิฏฐิความเห็นผิดว่าสัตว์ตายแล้วขาดสูญส่วนในความเห็นผิดอย่างหลังเรียกว่าสัสตตตทิฏฐิ ความเห็นผิดว่าสัตว์ตายแล้วเที่ยงและก็ยังมีคนอีกพวกหนึ่งที่เชื่อว่าจิตเกิดขึ้นเองและพัฒนาไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของร่างกายเรียกว่าอเหตุตุกขทิฏฐิความเห็นผิดว่าสัตว์ไม่มีเหตุนอกจากนั้นบางพวกเห็นผิดว่ามีพระเจ้าสร้างโลกความเห็นผิดนี้เรียกว่า วิสุทธิ์ทิติความเห็นผิดที่ไม่สม่ำเสมอคนบางพวกมีความเห็นผิดเกี่ยวกับสังสารวัฏหรือกระแสนามรูปโดยเชื่อว่าร่างกายเป็นที่อยู่ชั่วคราวของวิญญาณหรืออัตตาหรือพลังแห่งชีวิตเมื่อร่างกายเสื่อมสลายไปก็ย้ายจากที่อยู่แห่งหนึ่งไปสู่ที่อยู่อีกแห่งหนึ่ง บางพวกเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาอันสมควรคนที่ตายแล้วจะฟื้นคืนชีพมาได้จึงที่จะพยายามรักษาซากศพไว้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้เสื่อมสลายไปความเห็นผิดต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งยืนยันคำกล่าวของท่านอาจารย์แลดีสยาดอว่าหลักปฏิจจสมุปบาทที่ว่าด้วยความสัมพันธ์เป็นเหตุเป็นผลกนระหวางสังขาร และวิญญาณนั้นทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้อย่างใหญ่หลวงได้พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปมักยังไม่หลุดพ้นจากความเห็นผิดเหล่านี้แต่เนื่องจากมีความเชื่อในคำสอนเกี่ยวกับอนัตตาจึงไม่งมงายกับความเห็นที่ผิดจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อการเจริญวิปัสสนาดังนั้น แม้พวกเขาจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดอย่างแตกฉานก็ยังสามารถเจริญวิปัสนาเพื่อให้เกิดปัญญาอย่างรู้ได้ตัวอย่างในเรื่องนี้มีมานานแล้วในสมัยหลังจากพุทธปรินิพานไม่นานพระชนะเถระได้พยายามเจริญวิปัสนาแต่ไม่ประสบความก้าวหน้าเพราะ ความยึดมั่นในอัตตาทิฏฐิต่อมาได้สดับพระธรร ม, มเทศนาเรื่องปฏิจจสมุปบาทจากพระอา น, นุนจึงได้เจริญวิปัสนาและสามารถชำระความเห็นผิดแล้วบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ในเวลาต่อมาในสมัยพุทธกาลพระพิสุชื่อว่ายามกะ เชื่อว่าพระอาหารหันต์เมื่อปรินิพพานแล้วถึงความขาดศูนย์พระสารีบุตรจึงได้เรียกมาพบและได้เทศนาสั่งสอนพระยะมะกกภิิษุได้เจริญวิปัสสนาและบรรลุ ธ, ธรรมในขณะฟังพระธรรมเทศนานั้นดังนั้นผู้มีศรัทธาในพระบรมศาสดาจึงไม่ควรท้อถอยเพราะถ้าเขาเจริญวิปัสสนาอย่างเข้มแข็งเด็ดเดียว ก็จะสามารถบรรลุมรรคผลได้อย่างแน่นอนความไม่รู้และความสงสัยในคำสอนเกี่ยวกับการจุติและปฏิสนธิหรือเพราะมีความโน้มเอียงไปในทางอุเชตทธิฏฐิทำให้บางคนสงสัยว่าหลังจากตายแล้วมีการเกิดอีกหรือไม่คำถามเช่นนี้แสดงว่าผู้ถามมีความเชื่อว่ามีอัตตาหรือวิ ญ, ญญาณที่เที่ยงแท้ ธาวรหรือพลังแห่งชีวิตที่เป็นแก่นสารของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายส่วนพวกวัตถุนิยมแม้จะไม่เชื่อเรื่องของวิญญาณแต่ก็ยังเชื่ออยู่ลึกๆว่ามีอัตตาอยู่ในสิ่งมีชีวิตเช่นกันโดยจะสังเกตเห็นได้จากคำถามซึ่งจำแนกความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต คำถามของทั้งสองพวกนี้ยากที่จะตอบในทัศนะของศาสนาพุทธเพราะถ้าตอบว่ามีการเกิดอีกหลังจากที่ตายแล้วก็จะสนับสนุนความเชื่อในเรื่องอัตตาแต่ศาสนาพุทธไม่ได้ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงว่าไม่มีการเกิดอีกดังนั้นพระพุทธองค์จึงไม่ทรงนิ่งไม่ตอบคำถามนี้ นอกจากนั้นยังเป็นการยากที่จะแสดงหลักฐานพิสูจน์ให้แจ้งชัดแก่ปุตุชนทั่วไปได้ถึงแม้ผู้ที่เจริญฌานจนบรรลุอภิญญาเกิดที่พยจักสุยานสามารถเห็นนรกสวรรค์จะให้การยืนยันในข้อนี้แต่ผู้ที่ไม่เชื่อก็จะค้านว่าเป็นเรื่องของไสยศาสตร์หรือเป็นกลอุบายหลอกลวงดังนั้น พระพุทธองค์จึงได้ตรัสโดยธรรมมาทิฏฐานมีสภาวะธรรมเป็นที่ตั้งว่าตราบใดที่ยังไม่สิ้นกิเลสตัณหาแล้วก็จะยังมีการสืบต่อของกระแสรูรปนามอยู่ตราบนั้นปัญหาเรื่องการตายแล้วเกิดนี้ ไม่เอื้อต่อการตอบด้วยการชี้แจงแสดงเหตุผลเท่านั้นแต่จะต้องพิสูจน์ให้ได้ด้วยการปฏิบัติตามกระบวนวการทางศาสนาพุทธเท่านั้นเพราะผู้ปฏิบัติธรรมที่จเจริญสมถะกรรมฐานจนสามารถบรรลุอภิญญาจะสามารถมองเห็นผู้ที่ตายไปแล้วทั้งที่ไปอุบัติในเทวโลกหรือที่ไปบังเกิดในอบายภพทั้งสี่ อย่างชัดเจนเสมือนมองเข้าไปในบ้านที่อยู่ตรงข้ามกันแล้วเห็นคนที่เดินจากบ้านหลังหนึ่งไปยังบ้านอีกหลังหนึ่งและไม่ว่าผู้ที่เขาต้องการจะพบนั้นจะบังเกิดในสุขติภูมิหรือเป็นสัตว์ในทุขติภูมิก็ตามเขาก็จะหาพบได้อย่างง่ายดายผู้ปฏิบัติธรรมที่ประสงค์เจริญฌาน เพื่อให้ได้อภิญญาก็สามารถกระทําได้โดยไม่ขัดต่อคําสอนในพระพุทธศาสนาแต่การเจริญฌานจนบรรลุอภิญญาได้นั้นต้องก่อให้เกิดสมาธิที่แนบแน่นบริบูรณ์ดังนั้นการเจริญวิปัสสนาจึงจัดเป็นทางปฏิบัติที่ง่ายกว่าและเมื่อการปฏิบัติก้าวหน้าจนบรรลุถึงขั้นปัจจยะปริฆหายานก็ จะเห็นแจ้งสภาวธรรมของการจุติและปฏิสนธิและจะกระจางแจ้งยิ่งขึ้นเมื่อบรรลุถึงสัมมาสนญญาณอุทพพย า, ยานและพังคยานตามลำดับผู้ประพฤติธรรมจะรู้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงการเกิดดับของจิตที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่จบสิ้นเมื่อลูกประคำที่เรียงลำดับกันไป และสามารถอนุมานรู้ว่าการตายคือการดับของจิตดวงสุดท้ายในพบเก่าและตามมาด้วยการเกิดของจิตดวงแรกในพบใหม่แต่วิปัสสนาที่รู้เห็นอย่างนี้ก็ยังไม่มั่นคงมากนักจนกว่าจะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันบุคคลเป็นอย่างตามจึงจะทำให้หมดความเคลือบแคลงสงสัยในการเกิดใหม่ได้ อย่างไรก็ตามคนส่วนมากมักชอบถกเถียงกันในเรื่องนี้แทนที่จะทดสอบพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติวิปัสนาเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองบางท่านหันไปแสวงหาคำอธิบายจากนักวิทยาศาสตร์หรือนักปรัชญาชาวตะวันตกในขณะที่หลายท่านก็เชื่อถือคำสอนของบุคคลผู้มีชื่อเสียง ที่เล่าลือว่าเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญาแต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อสแสวงหาคำตอบด้วยประสบการณ์ของตนเองโดยไม่ต้องอาศัยทาบอกเล่าจากประสบการณ์ของผู้อื่นเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมบรรลุถึงอุทธพ ย, ายาัญาาจะเห็นประจักษ์ว่าทันทีที่จิต ด, ดวงหนึ่งดับไป จิตดวงใหม่ก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรับอารมณ์ต่อจากจิตดวงที่เพิ่งดับไปประสบการณ์ดังกล่าวนี้ทําให้เข้าอนุมานว่าการเกิดขึ้นในภพใหม่เริ่มต้นด้วยการเกิดขึ้นของปฏิสนธิจิตที่ถูกปรุงแต่งด้วยอารมณ์ที่ยึดมั่นไว้ขณะใกล้ตายในภพก่อนนั่นเองในขณะใกล้ตายนั้น กระแสจิตยังมีการเกิดดับต่อเนื่องกันอย่างไม่ขาดช่วงโดยอาศัยร่างกายที่มีชีวิตอยู่แต่หลังจากที่ตายร่างกายแตกสลายแล้วกระแสจิตก็ยังดำเนินต่อไปในร่างกายใหม่กระบวนการนี้เป็นไปเหมือนแสงสว่างที่เกิดต่อเนื่องกันในหลอดไฟฟ้าโดยอาศัยกระแสไฟฟ้าซึ่งไหลผ่านหลอดไฟอยู่ตลอดเวลาเมื่อไส้หลอดไฟขาดแสงจะดับ แต่กระแสะไฟฟ้ายังมีอยู่พอเปลี่ยนหลอดใหม่ไฟก็จะสว่างขึ้นอีกในอุปมาที่ยกมาแสดงนี้หลอดไฟกระแสะไฟฟ้าและแสงสว่างเป็นกระบวนการทางกายภาพที่แปลเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแสดงถึงสภาพที่ไม่คงทนถาวรของสภาวะธรรมทั้งปวงในเรื่องนี้ พระอัทตย์าจารยังได้อธิบายโดยอุปมา ก, กับเสียงสะท้อนเงาในกระจกเปลวไฟและรอยประทับตราอีกด้วยเสียงสะท้อนคือการสะท้อนกลับของคลื่นเสียงที่ไปกระทบกับกำแพงหรือไม้เป็นต้นไม่ใช่โดยการย้ายเสียงเดิมไปที่แห่งใหม่ที่ไกล ออกไปแต่มีความเป็นเหตุผลกันของเสียงเดิมและเสียงสะท้อนเมื่อเราส่องหน้าตัวเองในกระจกเงาที่เห็นในกระจกไม่ใช่ใบหน้าจริงๆแต่มีเหตุเกิดจากใบหน้าส่วนเปลวไฟตะเกียงอาจใช้จุดตะเกียงอื่นได้แต่เปลวไฟของตะเกียงดวงใหม่ก็ไม่ใช่เปลวไฟเดิมเพราะตะเกียงดวงเก่ายังมีเปลวไฟลุกไหม้อยู่ แต่เปลวไฟตะเกียงในดวงใหม่มีความเกี่ยวเนื่องจากเปลวไฟของตะเกียงดวงเก่าและในอุปมาสุดท้ายดวงตราที่ประทับลงบนครั่งหรือกระดาษทำให้เกิดรอยประทับตรานั้นรอยประทับกับดวงตราไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่รอยประทับจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีดวงตราการอุปมาข้างต้น ช่วยให้เข้าใจกระบวนการเกิดใหม่ในขณะที่บุคคลใกล้จะตายกรรมที่เคยทําในอดีตภาพของสิ่งที่เกี่ยวกับกรรมในอดีตหรือภาพที่เกี่ยวกับพบใหม่อย่างใดอย่างหนึ่งจะปรากฏแก่บุคคลผู้นั้นทันทีที่เขาเสียชีวิตลงปฏิสนธิวิญญาณก็จะเกิดขึ้นโดยยึดหน่วงเอากรรมกรรมนิมิต หรือคตินิมิตนั้นเป็นอารมณ์ดังนั้นการเกิดใหม่จึงไม่ได้หมายถึงการเคลื่อนของจิตดวงสุดท้ายไปสู่ภพใหม่แต่กลับเป็นจิตดวงใหม่ที่ถูกปรุงแต่งด้วยกรรมกรรมนิมิตหรือคตินิมิตในภพก่อนโดยมีอวิชชาเป็นสังขารเป็นต้นทําหน้าที่เชื่อมโยงปฏิสนธิวิญญาณ ไว้กับอารมณ์ก่อนตายตามกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทดังนั้นปฏิสนธิวิญญาณในภพใหม่จึงเป็นจิตคนละดวงกับจุติจิตของคนใกล้ตายแต่เกิดขึ้นโดยอาศัยจุติจิตและเกี่ยวเนื่องกับจุติจิตในภพก่อนนั่นเองอย่างไรก็ตามเรามักพูดถึงจุติจิตและปฏิสนธิจิตทั้งสองดวงนี้ ว่าเป็นของคนคนเดียวกันเช่นเดียวกับในเวลาที่มีชีวิตอยู่ซึ่งเรามักจะกล่าวถึงจิตเกิดก่อนกับจิตที่เกิดใหม่ต่อเนื่องกันไปในกระแสจิตของบุคคลว่าหมายถึงบุคคลคนเดียวกันการที่คนตายแล้วไปเกิดในเทวโลกหรือโลกอื่นก็ไม่ใช่เป็นการโยกย้ายนามรูปอันเดิมไปอยู่ในสถานที่ใหม่ หากแต่เป็นเพียงโวหารของชาวโลกที่ใช้สื่อความหมายกันเท่านั้นว่าเป็นคนนั้นคนนี้เพราะการเกิดใหม่นั้นเป็นความต่อเนื่องอาศัยการเกิดขึ้นของจิตแต่ละดวงอันหนึ่งความเห็นว่าชาติก่อนไม่มีเพราะเมื่อคนตายไปแล้วย่อมขาดศูญย์นั้นชื่อว่าอุดเชททิฏฐิพุทธศาสนิกชนส่วนมากไม่เชื่อถือความเห็นนี้ อย่างไรก็ตามเราควรระวังไม่ตกไปในสัะตว์สตติทิซึ่งเชื่อว่าการเกิดใหม่เป็นการโยกย้ายวิญญาณไปสู่สถานที่ใหม่แม้ว่าในเชิงโวหารจะพูดถึงเสมือนเป็นคนคนเดียวกันเนื่องจากพบทั้งสองมีความเกี่ยวเนื่องเป็นเหตุเป็นผลกันผู้ปฏิบัติธรรมที่มีวิปัสสนาญาณแก่กล้าแล้ว จะไม่เชื่อถือวาทะทั้งสองที่กล่าวมาเพราะได้รู้เห็นโดยประจักษ์ถึงการเกิดดับของจิตที่เป็นไปในปัจจุบันและความเป็นเหตุเป็นผลกันโดยอาศัยกันเกิดขึ้นการรู้เห็นเช่นนี้ไม่เปิดโอกาสให้เห็นความผิดทั้งสองอย่างนี้แทรกเข้ามาได้เลยสำหรับผู้ที่คิดอย่างมีเหตุผลก็สามารถสังเกตเห็นธรรมชาติของจิตได้เหมือนกัน เช่นความยินดีอาจตามมาด้วยความหดหู่ความสงบใจอาจตามาด้วยความหงุดหงิดก็ได้สภาพที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของจิตนี้แสดงให้เห็นชัดถึงธรรมชาติซึ่งไม่คงที่ของจิตนอกจากนั้นบางครั้งจิตก็อาจมีสภาพที่ต่อเนื่องกันมีความคล้ายคลึงกันเช่นความตั้งใจ จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในตอนกลางคืนอาจเกิดขึ้นอีกในตอนเช้าก็ได้ในจิตสองขณะนั้นมีสภาพไม่แตกต่างกันแต่เชื่อมโยงกันด้วยความเป็นเหตุเป็นผลกันผู้ที่เข้าใจความเกี่ยวเนื่องกันของจิตที่เกิดดับติดต่อกันในกระแสจิตที่จะอนุมานรู้ได้ว่าแม้ในกรณีที่ มีความตายเข้ามาขั้นกลางความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันนี้ก็ยังคงมีอยู่